بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ัลลอ ا ์อ أ, ا ل ا س ل ا م ي ล بالدمام تواصل معك อ خ ي الكريم المصحف الشريف อ ل ์อัลล ا ل ์ ا ัลลอ ي ์ ل ัลลอฮ์อ ا ن ي อฮ์อัลลอฮ์อ ا ลลอฮ์อ ا ลลอฮ์ ل ัลลอฮ์ إ ัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลออัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัอฮลอฮ์ออ เขาเพราะว่าในบทได้กล่าวถึงเรื่องราวของครอบครัวที่มีเกียรติครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของอิมรันซึ่งเป็นยิดาของมรยำเป็นแม่ของนบีอีสาอิไลสลัดเรื่องราวของครอบครัวนี้อัลลอฮ์ได้ทรงให้เห็นเดชานุภาพของโรมโดยการให้มรยมที่เป็นหญิงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยมีชายใดต้องตัว ได้ทลอดลูกออกมาคือนบีอินชาอะไลสละบทอาลาอิมรอนี้ได้ประมวลไว้ด้วยองค์ประกอบส ำ, สำคัญสำคัญสองประการด้วยกันกล่าวคือหลักอธีดาพร้อมด้วยหลักฐานและเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่ามีอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทร ง, งเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นมันหยกต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทาสงครามและการต่อสู้ในทางของ อ, ลองัอลออล อ, อ, อ์สหรับองค์ประกอบ ที่หนึ่งนั้นได้มีองค์การเพื่อมายืนยันการเป็นเอกภาพของพระองค์การเป็นนบีของนบีมุฮัมมัดสัจธรรมของอัลกุรอานและโต้อตอบข้อโต้แย้งของชาวคัมภีรที่มีต่อาศาสนาอิสลามต่อคมภี์อัลกุรอานตลอดจนเรื่องของนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮฺว ะ, ล, วะลาอิวัสซาลาฮฺแต่ที่ทราบติดแล้วว่าบทอัลบาปรอ ได้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชาวยิวเป็นส่วนใหญ่แต่บทอาลอิมรอนได้พูดถึงเรื่องราวของชาวนาซารอหรือชาวคริสเตียนซึ่งได้มาโต้แย้งกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวาลลอฮ์สัลลัมเกี่ยวกับนบีอีสาโดยพวกเขากล่าวว่าเป็นพระเจ้าว่าเป็นบุตรของพระเจ้าว่าและไม่ยอมรับสาระที่ท่านนบีได้นามาซึ่งในเรื่องต่าง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 ข้อช h ขาดเกี่ยวกับผู้ไม่ ย, ยอมจ่ายสกาดเรื่องราวที่เกี่ยวกับสงครามบาดัตและสงครามอุพุธบริเวณที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รับจากการทำสงครามต่างๆโดยเฉพาะจากสงครามทั้งสองครั้งครั้งแรกได้รับชัยชนะจากสงครามบาดัตและก็พ่ายแพ้ในสงครามอุพุธในครั้งที่สองอันเนื่องมาจากหย่อนยานกับคำสั่งของท่านรอสู่จากสงครามครั้งนี้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 ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายาพร้อมได้ทรงประทานคำภีนั้นลงมาแก่เจ้าด้วยความจริงเพื่อยืนยันคำภีรที่อยู่เบื้องหน้าคำภีนั้นและได้ทรงประทานคำภีเตารอด ค, คีัๆๆๆๆใหุ้ม่มากอนในฐานะเป็นทางนำสำหรับมนุษย์และได้ประธานอัลฟุรุกรมาด้วย แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การของอลัลลอฮ์นั้นพวกเขาจะรับโทษอันุนแรงและอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงตอบโต้การลงโทษที่ดียิ่งอินนัลลอฮ์ลายาขต์ะะลีห์ชีย่อมฟิลอัดวลาทิสะมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินและฟ้าฟ้า ที่จะซ่อนเร้นโปรดไปได้าวลัลลซีอูรุกุมฟิอห์ฮามไคฟยชานลาอิลาฮอิลลัลลอฮุลอะซีซุลฮะกีมพระองค์คือผู้ทรงให้เราเป็นรูปร่างขึ้นในมดลูกตามที่พรงทรงประสุค์ไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสตาระใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้น <متر> ُ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ آ ي َ ا ت م ُ ح ك َ م ا ت ه ُ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ز َ ي ْ غ ٌ ف َ ي َ ت َّ ب ِ ع ُ و ن َ لَا تَشَابَهَ مِنْهُ فيتبعون ما تشابه منه ا ن ت غ ا د الفتنة وانتقاد تؤيله وما يعلم تؤيله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ا أ รงมคือผู้ทรงประธานคำภีลงมาให้เจ้าโดยที่ส่วนหนึ่งนั้นมีบรรดาองค์การที่มีข้อความรักถุมชัดเจนซึ่งองค์การเหล่านั้นคือร่างฐานของคำภีและมีองค์การอื่นๆ อ, อ, อีกที่มีข้อความเป็นนยนัส่วนบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขาเอียง อ, งออกจากความจริงนั้น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 และจะไม่มีใครได้รับคำแนะนำตัดเตือนนอกจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นบบอโอ้พระผู้เป็นของพวกเราโปรดอย่าให้หัวใจของเราเอนเอียนออกจากความจริงเลย หลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้ทานนาแก่พวกเราแล้วและได้โปรดประทานความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์ให้แก่พวกเราได้ถึทจริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงประทานให้อย่างมากมายรบนาอินนักจะมุ่ น, นาสิลยุมิลละอิาาบัตีอินนัลลอฮะลาอูคลิฟุลมียาด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 และเทววนั้นทรงเป็นผู้ลงโทษอย่างลลา ร, าชชรุนแรงผู้ัม่าจงกล่าวแวก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเจ้าจะรับความปราชัยและในวันปรโลกพวกเจ้าจะถูกต้อนไปสู่นรกยานนัก قد كان لكم آ ي ا في فئتين ا لتقتان ف ئ ت تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله ي ؤ ي د بنصره من يشاء.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 แต่แลอนนั้นจะทรงสนับสนุนผู้ที่โกรธทรงประสงค์ด้วยการช่วยเหลือของพรูแท้จริงในสิ่งที่กล่าวมานั้นย่อมเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ที่มีดวงตาทั้งหลายนิบก من ا ل ได้ถูกทำให้ลุ่มหลงแก่มนุษย์ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่มีเสน่ห์อันได้แก่สตรตีและลูกชาย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 ลัลลั ا ر ์ละตั้วอื่นร ج บบ ت ้มจันนท์เจริมิเถ ا ดที่อัลฮัลข้ ا ลีนั ف ي ฮะข้า و ีนْ و َ ا ะแ م ะจูมตั้ห์ ه าร์ตู ل ับวา ب ุมนับอัลลอฮ์วัลลอฮ์บัซซิร์บัลอิบานด์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 และรล้อนนั้นทรงเห็นเปล่าทั้งหลายคีอบรรดาผู้ที่กล่า ว, ก า, า, กาววา่าโอ้พระผู้วิบาลของเราแท้จริงเราได้ศรัทธากันแล้วดังนั้นโปรดทรงอภัยโทษให้แก่พวกเรานี่เถิดซึ่งบรรดาความผิดของพวกเรา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 และบรรดาผู้ที่ขอไถ่โทษในอย่างไกล شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. อ l l a h SWT ยังว่าแทจิ ไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นมาลายกะและผู้มีความรู้ที่อบรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้นก็ยืนยันด้ว่าไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์ผู้ทรงเดชหรูปภาพผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้ น, นล َمَاخْتَلَةَ الَّذِي نَأُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ مِنْ الْعِلْمُ بِآيَاتِ يَكْفُرْ แท้จริงศาสนาที่องค์นั้นคือศาสนาอิสลามและบรรดาผู้ที่รับคาที ไม่ได้ขัดแย้งกันนอกจากหลังจากที่ได้มีความรู้มาอย่างพวกเขาเท่านั้นทั้งนี้เรื่องจากความอิจฉานิสียระหว่างพวกเขาเองและผู้ใดปฏิเสธสภัธาต่อบรรดาโปกาำของลอเล้วไซแน่นอนอลล่อนั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการสอบสอวน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 อัลลัมตรับอิลัลลดีน أو ตุนซิดะมมินอัลฟิตับีุดะ عون อิลัคตาบิลลาฮิลียะฮุมอยน์ฮมทุ่มมาตวลลาทีริกมมินฮุมวะฮุมมอริรูนมุ hammad ไม่ได้มองดูบรรดาผู้ทะรักส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ดอกหรือโดยที่พวกเขาถูกเชิญชวนไปสู่คัมภีร์หอหลอก เพื่อคำพีนั้นจะได้ตัดสินระหว่างพวกเขาแล้วกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาก็ผนหลังให้โดยพวกเขาก็กำลังผนหลังให้อนั่นก็เพราะพวกเขากล่าวว่า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 และสรงให้ปัจจัยยั่งชีกแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยปราศจากการคิดคำหทนผู้ศรัทธาเป็นผู้ทีไม่เป็นผู้ศละผู้ที่ทำเช่นนั้นก م ไม่ได้นของพระองค์ทั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 เลาล่อทรงเตือนพวกเจ้าให้ยำเกรงพระองค์และยำข้อล้อนั้นคือการกลับไปโอลิลุกุมะที่ซดูริคุม أ า تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في ا ل า م ا و ิว وما في ا อ أ ر ض ิ ا ل ลลอ ل ى كل شيء ق د ي ีชงกล่าวเถิดมุฮัมมัด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 ว, วันที่แตละชีวิตจะไม่พบกับความดีที่ตนได้ประกอบไว้ถูกนำมาอยู่ต่อหน้าและความชั่วที่ตนได้ประกอบไว้ด้วย แตละชีวิตนั้นชอบหากว่าระหว่างตนกับความชั่วนั้นจะมีระยะทางที่ห่างไกลและอัลลอฮ์นั้นทรงเตือนพวกเจ้าให้ยำเกรงพระองค์และอัลละฮ์นั้นเป็นผู้ทรงปราณีต่อปวงบั ي ي ด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 لو, จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอสูนถึงแต่ถ้าหากพวกเจ้าผิ้หลังให้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ออดนนิแท้จริงอัลลอฮได้สรงคัดเลือกอาดัมและน nah, uh, ูฮ์และวงวานของอิบราฮีมและวงวานของอิมรอนให้เหนือกว่าประชาชิทั้งหลาย ع e er โดยเป็นเผ่าพันธุ์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกันและกันและอโลนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงมมรอบรู้อิบกา َلَةِ مَرَأَةٍ عِنْدَ رَبِّ นِ ن ِّตุล د َมْ ت ีบَ ك َ مَا فِي بَقْنِي مُحَذَّرًا ف َ ق َ م ออิน น, ะะนตสจงรำลึกถึงขณะที่ปัญญาของอุมรกล่าวว่าโอ้พระผู้วิบาลของฉันแท้จริงฉันได้บนว่าเลว่าให้สิ่งที่อยู่ในคันของฉันถูกเจาะจงให้อยู่ในฐานะผู้ขรรถพัะดีต่อโปรดและรับใช้พระองค์เท่านั้นดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับจากท่านด้วยเถิด แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้แล้วเมื่อวางเธอพระเจ้นตรัสว่าฉันวางเธอเป็น و ู้หญิงพระเจ้าทรงราวาออย่งไการกล่าว แค่เมื่อนางได้ลอดบุตรนางก็กล่าวว่าโอ้พระผู้บาลของฉันแท้จริงฉันได้ลอดบุตรเป็นหญิงและอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ดียิ่งกว่าถึงบุตรที่นางได้ลอดมา และเชื่อว่าเพศชายนั้นจะเหมือนกับหญิงก็หาไม่และฉันก็ได้ตั้งชื่อเขาว่ามารดะและฉันก็ขอต่อพระองค์ให้ทรงคุ้มครองนางและลูกของนางให้พ้นจากชายตอนที่ถูกสาปใช่ไต่ะตอบเบล่ารับเธอาบิกที่รักและเธอเป็นวะอักบละานะเจ้าทรงปะทานใั้เะอเป็นพืชทียา كلما دخل عليها زكريا ا ل م ش ر ا ب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أم لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. แล้วพระผู้ ب ร ع อภิบาลของนางก็ท และทรงให้นางเจริญวัยอย่างดีด้วยและได้ทรงให้ยักริยาอุปการะนามคราใดาที่ยักริยาเข้าไปหานามที่อัลเมียรรอปเขาก็พบปัจจัยอย่างชีพอยู่ที่นางเขากล่าวว่าโอ้มรยัดเธอได้สิ่งนี้มาอย่างไรนางก็กล่าวว่ามันมาจากอลัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงประทานปัจจัยอย่างชีพแก่ผู่ที่พระองค์ทรงประสงค์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 ซึ่งบุตรที่ดีคนหนึ่งจากที่พร่องท่านแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงได้ยินคำบุญวนแล้วเจ้าจะเห็นทูตส ا ئ ِค์ ي ี่มุ่ยยุสลีในมิ حراب นั่นแหละที่พระเจ้าจะบอกให้เจ้ารู้ว ل าจะม و َ س รพิพ د กษาในวันนั้น มุซดิคันบิ ك ลิมทินมินัลลอายวะสัยดันวะหะสูรันวะนบีนมินัลสาริธีนและมาลัยาได้เรียกเขาขนาดที่กำลังยืนลำมาดอยู่อยู่ในอันนี้อระว่าพี่จริงอัลล่อนั้นทรงแจ้งข่าวดีกัท่านด้วยยากยาโดยพี่จะเป็นผู้ยืนยันจำรักหนึ่งจากอัลล่ะ และจะเป็นผู้นำและผู้รักษาความบริสุทธิ์และเป็นศาสดาท่านหนึ่งจากมูชนที่เป็นคนดีข้ารัาวว่าโอ้พระวิบาลของฉัน ฉันจะมีบุตรได้อย่างไวโดยที่ความชราภาพได้ประสบกับฉันแล้วและทางอยากของฉันก็เป็นหมันด้วยพระองค์ตรัสว่ากระนั้นก็ตามอัลลอฮ์จะทรงกระทำตามที่พ ร, พระองค์ทรงประสงค์ข้าวเลบอิจัลรีอายะ้าลอดข้ายุคแอลลัตุคลิมันนัสแคลาตะไอยามินอัลลั่งจา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 และจงดำลึกถึงพระผู้ิบาลของเจ้าให้มากมายและจงกล่าวให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ทั้งในยามเย็นและยามเชา้าและจงดำลึกขณะที่มาเลย์กากล่าวว่าโอมัรยา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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من هسمه ا المسيح عيسى مريم وجهها وجهها في الدنيا والآخرة ومن ا ل م ق ر د ي ن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 นักจะอยู่ในคนนี้ขาลสัวรเ้ารับค่าจะมีูายละไลมีะบพขับวะมีลกชาละไมมีะบอกาลเารับมลูกลลืะก้าขคมกายะชีก้าอเจ้าารับคำว่าะมกายละไู่ละบอกุนาพเัว่างูกละ่่อ้พขรัวะยบานของฉัน ฉันจะมีบุตรได้อย่างไรทั้งๆ ท, ที่ไม่มีชายใดแตะต้องตัวฉันพระองค์ตรัสว่าตระนั้นก็ตาม a l ะ a h จะทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เมื่อพระองค์ชี้ขาดงานใดแล้วพระองค์ก็เพียงประกาศสิ่งนั้นว่าจงเป็นขึ้นเถิดแล้วมันก็จะเป็นขึ้นวววายิมัััจ พระองค์ก็จะทรงสอนเขาซึ่งการเขียนและความรู้อันถูกต้องและสอนคำพีเตาร้อนและคำพีอินยี。 َأُبْرِئُ وأ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي وَأُنَبِّئُكُمْ بِإِذْنِ الْمَوْتَى اللَّهِ تَأْكُنُونَ بُيُوتِكُمْ بِمَا فِي لَآيَةً และเขาก็ถูพูดไปยังวงวานอิสราเอลโดยที่เขาจะกล่าวว่า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 บและฉันจะเป็นผู้มายืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของฉันอันได้แก่คำพีเตารอดและเพื่อที่ฉันจะได้อดุมติแก่พวกเจ้าซึ่งบางสิ่งที่ถูกห้ามแก่พวกเจ้าและฉันได้นำสัญญาณหนึ่งมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นถึงยำเกรงและลเถอ และจงเชื่อฟวามัำแท้จริงอล l อ h นั้นคือพระผู้ยบาบฉันและพระผู้ยบนบของพวกเจ้าดังนั้นจงเคารพพักดีต่อพระองค์เถอะนี่แหละ คือทาง่นอัา น, นราลั ม, ม, ม, มันอันซารีีดะลลาฮ์กาลัลฮ ي วะร ا ل ุนนะห์มอันซารลาาาุลลาฮีอ ا มะน์บิลลาฮีวะชัดบีอันมะมุส م ิมุนครั ن เ ม, มื่ออีจารู้สึกว่ามีการปฏิเสธศรัทธาเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเขา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 โปรดทรงบันทึกพวกเราให้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่กล่าวปฏิาญาณยืนยันทั้งหลายด้วยเถิดและพวกเขาได้วางแผนและอัลลอฮ์ก็ทรงวางแผนด้วยและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้วางแผนที่ดีเยี่ยม إذ قال َ الله ُ يا عيسى إني مترفِيك َ ورَافِعُك َ إ ل َّ وَمُطَهِّرُك مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُك مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ ا ت َّ ب َ ع ُ و ك ف َ و ق َ ا َ الَّذِينَ كَفَرُوا ى ي จงดําเนิกถึงขณะที่อรอถตรับว่าโอ้อีสาถ้าจะเป็นผู้ที่รับเจ้าไปและจะเป็นผู้ที่ยกเจ้าขึ้นไปยังข้า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 ا آ ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นข้าจะลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงทั้งในโลกนี้และโลกห น, น้า และจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาและส่วนบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นพระองค์จะทรงตอบแทนแก่เขาอย่างครบถ้วนซึ่งรางวัลของพวกเขาและอัลลอฮ น, นั้นไม่ทรงชอบ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 ลลคคแคทจิอุปมาของอีซาดังอุปมาใของอาดัปพระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดินและได้ทรงประกาศสิทธิแก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิดแล้วเขาก็เป็นขึ้น ความจริงนั้นมาจากพระผู้อวบารของเจ้าจากนั้นเจ้าอย่าเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่สงสัยเป็นอัแนั้นหาันบามาจาีคมิดนั้นเจาอาเป็นคนหนึมูีั فقلتَ عَالَوْنَ دُعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ و َ ن ِ س َ ا َ ن َ ا وَنِسَاءَكُمْ و َ أ َ ف س َ ن َ ا و َ أ َ ف ُ س َ ك ُ م ْ ك ُ م َ ن َ ب ن َ ت َ ه ِ ل ُْ م َ ن َْ ن ت َ ه ِْ ف َ ن َ ج ع َ ا ل ع َ ة َّ ت َ ا ل ل َّ ه ع َ ل َ ا ل ك َ ذ ِ ب ِ ي ฉันั้นผู้ใดที่โตเ้เถียงเจ้าในเรื่องของเขาหลังจากที่ได้มีความรู้มาอย่างเจ้าแล้วจงกล่าเถิดว่าพวกเจ้าจงมาถึงเราก็จะเรียกลูกๆของเราและลูกลูกของพวกเจ้าและบรรดาผู้หญิงของเราและบรรดาผู้หญิงของพวกเจ้าและตัวของพวกเราและตัวของพวกเจ้าแล้วเราก็จะวิงวอนกันด้วยความนอบน้อง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 และแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงเดินางุภาพผู้ทรงปรินชาญาแล้วหากพวกเขาพินหลังให้ถ้าจริงอลัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รู้ดีต่อผู้ที่ทำความชั่วทั้งหลาย قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ س َ ع َ ل ُ ا إلَى ك َ ل م َ ة سَوَائِنَ ب َ ي ن َ ن َ ا و َ ب َ ي ن َ ك ُ م ْ كَلِمَةٍ س َ و َ ا ء َِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا ِ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ فِيهِ شَيْئًا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 โอ้มาวคอมพิวเตอรีทั้งหลายพ้าเห็นได้เล่าพวกเจ้าจึงโตเถียงกันในเรื่องของอิบรอฮีมและคำพิสตอรอย และอินยีไม่รู้ถูกประทานลงมานนอกจากใครหลังจากเขาและพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหอนึ่ง อออััลลลลลุยมมวนาพวกเจ้านีอะไรได้โต้เถียงกันในสิ่งที่พวกเจ้ามีความรู้ในสิ่งนั้นแล้วแล้วก็เหตุชะไหนแล้วพวกเจ้าจึงโต้เถียงกันในสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีความรู้แล้วร้อนั้นทรงรู้แต่พวกเจ้าไม่รู้ มาเคออิบราฮิมย <ixe> ิวียลาเนศรนีย์อยู่วลาเนเเคอเพนิทัมมุสลิมาวลาเคนเเคอเพนิทัมมุสลิมอ่วมเคอเเมน้มุสลิมอิบราฮิไม่ใช่ตันจิวไม่เช่ตันคริสแต่้ว่าเคอนั้นเป็นผู้หันออกจากความเทศสู่ความจริง เป็นผู้นอบน้อมต่อหลอและเขาก็ไม่เคยอยู่ในหมู่ผู้ตั้งพาผีต่อหลออิ<ณ> <ic> นอาลอนัสบีอิบรฮิมลีนตมะบิและผูีนมะบิดานวนมบิลที่น้อมระิาแะนูที่อมระิดาลูที่น้อมพริดาที่น้อมริดาแ้่น้อมพรดาแ้ที่อมบัดแ่นริดาที่ปฏิมัติตามเขา และปฏิบัติตามนบีนี้และบรรดาผู้ที่ศรัทธาด้วยและอ ล, ล้อนนั้นผู้สงคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายกาย كم, ลุ่มหนึ่งจากผู้จะรับคำพีนั้นชอบ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 ทั้งทงที่พวกเจ้าก็เป็นพยายนยืนยันโอชาคอมพิททั้งหลายเหตุใดพวกเจ้าจึงปะปนความจริงไว้ด้วยความเด็ดและปกปิดความจริง ั้้งงและกลุ่มหนึ่งจากบรรดาชาวคัมภีร์กล่าวว่าพวกเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งทีท่ถูกประทานลงมาแต่บรรดาผู้ศรัทธา ในตอนเริ่มแรกของกลางวันแล้วก็จนปฏิเสธศรัทธานในตอนสุดท้ายของมันเพื่อว่าพวกเขาจะได้จับใจ และพวกเจ้าจงอย่าเชื่อนอกจากแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามศาสนาของพวกเจ้าเท่านั้นมุสลิมเจ้าจงกล่าวเถกว่าแท้จริงคำแนะนำที่ถูกต้องนั้นคือคำแนะนำของอัลลอ์เท่านั้น จงอย่าเชื่อว่าจะมีผู้ใดได้รับเยี่ยงที่พวกเจ้าได้รับหรืออย่าเชื่อว่าเขาเหล่านั้นจะโต้แย้งพวกเจ้านะักพุ่ยบานของพวกเจ้าเลยเมื่อมาเจ้าจงกล่าวถิดว่าถ้าจริงความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้งพะหัดถของอรลซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ละล้อนั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวาง <سؤال> يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. โปรงจะส่งเจาะจงความเมตตาของโรงแก่ผู้ที่โรงส่งประสงค์และอัลล์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ب ا ن ط ر ي ؤ د ي ه إ ل ي ومنهم من إن تأمنه بدين ا لله ي ؤ ذ ّ ه إليك إلا ما ج م ْ ت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سهيل ويقولون على الله ك ذ ب َ وهم يعلمون. لَتَعْقَنْ كَمْفِينَا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 إ ن َّ ا ل َ ذ ي ن َ ش ع ر و ن َ ب ع َ ه د ِ ا ل ل َّ ه و َ أ ي م َ ا ن ِ ه ِ م ث ت َ م َ ن قَلِيلًا أ ُ و ل َ ئ ك َ ل ا خَلاَقَ ل َ ه ُ م فِي ا ل ا آ خ ِ ر ة ِ وَلَا ي ُ ك َ ل ّ م ُ ه ُ م ا ل ل ه ُ وَلَا ي َ ن ظ ُ ر إ ل َ ي ه ِ م وَلَا ي َ ن ظ ُ ر ُ إ ل َ ي ْ ه ِ م ي َ و م َ ا ل ق ِ ي ا م َ ة وَلَا ي ُ ز َ ك ي ه م و َ ل َ ه ُ م ع ذ ا ب ٌ أ َ ل ِ ي م ถ้าจึงบรรดาผู้ที่นำสัญญาของอัลลอฮ์และการสาบานของพวกเขาไปขายด้วยราคาเล็กน้อยนั้นชนเหล่านี้แหละไม่มีส่วนได้ใดๆแต่พวกเขาในปรลลกและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงพูดแต่พวกเขาและจะไม่ทรงมองดูพวกเขาในวันปลัลลและจะไม่ทาให้พวกเขาพ้นมนถึงด้วยและพวกเขาจะได้รับ وإن من منهم لفريقين يلون أنسنه م بالكتاب لتحسبه من الكتاب لتحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله แล้วท่านนหมูเ่านั้นมีกลุ่มหนึ่งบิดลิ้นของพวกเขาในการอ่านคำพีเพื่อที่พวกเจ้าจะได้คิดว่ามันมาจากคำพีทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้มาจากคำพีพวกเขาก็กล่าวว่ามันมาจากทีอัลล์ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่มาจากเทล โดยที่พวกเขากล่าบความเท็จให้แก่เราทั้งๆ ท, ที่พวกเขาก็รู้กันดี ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون ไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดคืออัลลาะทรงประทานคําพีและข้อตัดสินและการเป็นนาบีจะเขาแล้วเขากล่าวแก่ผู้คนว่าพวกเจ้าจงเป็นบ่าวของฉันอื่นจากอัลลาะหากแต่เขาจะตล่า ว, ว่าพวกเจ้าจงเป็นผู้ ที่ผูพกพันกับพระเจ้าเถอดเนื่องจากการที่พวกเจ้าเคยสอนคำพี่และเคยศึกษาคำพี่มากก่อนและเขาจะไม่ใช้พวกเจ้าให้ยิดเอามาไหล่จ้า และบรรดานาบีเป็นพระเจ้าเขาจะใช้พวกเจ้าจฏิเศษสัทธาหลังจากที่พวกเจ้าเป็นผู้นอกน้อมต่อล่อแล้วกระ น, นั้นลืมว่าอิดอัคดัลล้าหมีตากนนบีนลมาอาเซยตุมมินขิตาบินวะหิกมะ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 ชนล่าวนี<ห>้แหละคือผู้ละเมิดอาทั้งไยรดีลลาฮิยับรู่นอาทั้งไยรดีลลาฮิยับรู่นวละหุอัสลัมันฟิสส่งาวาติวัลอับดิตัวองวะครหุวะอิลัยยูบจ่ง์อื่นจากศาสนาของอัลลอกรนั้นหรือที่พวกเขาแสวงหาและแด่พระองค์นั้นผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้ง และผ่นดินได้นอกน้อมกันทั้งด้วยการสมัครใจและฝืนใจและอย่างโระงนั้นพวกเขาจะถูกนำกลับไป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 ว่เราได้ศรัทธาต่อเราแล้วและได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานแก่เราและสิ่งที่ถูกประทานแก่อิบราฮิมอิสมาอิและอิสฮ่าและยาคูและบรรดาผู้ที่สืบเชื้อสายจากยาคูและศรัทธาในสิ่งที่มูซาและอีสซาและนบีทั้งหลายได้รับจากพระผู้บาญของพวกเขาโดยที่เราจะไม่แยกระหว่างคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาและพวกเรานั้นเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์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 และยังยืนยันได้ว่าแท้จริงรอสูนนั้นเป็นความจริงและได้มีหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้มมาอย่างพวกเขาด้วยและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนั้นแก่ผู้ที่อัตอะ uh um ชนเหล่านี้แหละ การตอบแทนแก่พวกเขาคือการสาบแช่งจากอัลอจากมาลายกาและจากมนุษย์ทั้งมวล น, นั้นจะตกอยู่แก่พวกเข า, ขาดโดยที่พวกเขาจะอยู่ในการสาบแช่ง น, นั้นตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกควนกลรรมแก่พวกเขา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 ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสภาหลังจากที่พวกเขาได้สถาผแล้วยังได้ทวีการปฏิเสธสถาขึ้นอีกนั้นการสมมติผิดกลับเนื้อกลับตัวของพวกเขา جمعت إن الذين كفروا ماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم من الأرض فليقبل من أحدهم من الأرض ذهبوا ولو ا س ت د ا ب ه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 จนกว่าพวกเจ้าจากบริจาคสิ่งที่พวกเจ้าชอนและสิ่งใดที่พวกเจ้าบริจาคไปถ้าจิงอัลล้อสองรู้ในสิ่งนั้นดีคุณลุตตาอามิคานะหิ λλ ลลิบนีอิสรา يل อิลามาหรรมอิสรา يل อัลานะศิ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قلت أتبت ا تورات فتلها إن كنتم صادقين. أهان كلّ ชน ّة ن เคย، ن ّ ت ي أنوّماتَ قومِ وان إسرائيل م ا ل ว นอกจากการที่วงวานอิสรยยนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่ตัวของเขาเกเศก่อนจากที่คำพีเตารอถจะถูกประทานลงมามุฮัมมัดจึงกล่าวถิดว่าพวกเจ้าจงนำเอาคำพีเตารดมาแล้วจงอ่านมันดูหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดชิ และผู้ใดที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หลังจากนั้นชนเหล่านี้แหละคือผูนะ้อัลลอฮ์ขَ้ศึกษาของอَลลอฮ์แลَวِี่จะต م องรู้ก็คือ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 ไในบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งคือมาก่อนอิบราฮีมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้กรองไก่และเป็นสิทธิของอโล ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการประกอบพิธีฮัจจ์ที่บ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผูใ้ใดปฏิเสธศรัทธาแท้จริงอันนั้นไม่ทรงพรึงประชาชาติทั้งหลาย มวหัมมัดจงกลา่าวกิดว่าโอ้ชาวคังพรีทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเศษสัทธาต่อบรรดาวงการของอัลล่ะและอัลล่ะนั้นจะทรงเป็นพยาน ย, ย, ยืนยันในสิ่งที่พวกเจ้ากระทับคุณยาเอาลัลกิทาบริมตะสุดดูนอันสบีลิลล้าฮิมันอามัน من من มูฮัมหมัดทรงกล่าวถึงว่าโอ้ชาวคำผีทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงขัดขวางผู้ศรัทธาจากทางของอัลลอ โดยที่พวกเจ้าปรารถนาใ้ทางของพระองค์คดเคี้ยวทั้งๆ ท, ที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนย่ันอยู่และรนนั้นไม่ใช่เป็นผู้ทรงหลงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทบ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 และอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าจะปฏิเสธสถาทั้งๆ ท, ที่พวกเจ้านั้นมีบรรดาองค์การขอรอดทูอ่านแก่พวกเจ้า และยังมีรอซูลของพระองค์อยู่ในหมู่ของพวกเจ้าเลและพวกได้ยึดมั่นต่ออัลลอ์แน่นอนเขาย่อมได้รับคำแนะนำไปสูว่วันท่าอันที่นบุผู้ศร uh um ัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงอลัลลอฮ์อย่าแท้จทิงเถิดและพวกเจ้าจงอย่าตา ย, ตายึงนอันขาดนอกจากในฐานะผู้เป็นมุสลิมเท่านั้นวะะ่าต้ิมูบิฮับิลลาฮิจมิ عو ولا تطراقو وذكر نعمة الله ع อ ي ك م إ ب ั م أعداء تألف بين قلوبكم تأصبح และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอดโดยพร้อมเพียงกันและจงอย่าแตกแยกกัน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 แตพวกเจ้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่แตกแยกและขัดแย้งกันหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มายัางพวกเขาและคนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันใหญ่ยุหมะที่บียดดูจูห์และที่สว ด, ดจูห์แต่ أما الذين سوّزت جوهم أكفرت ด ع د إ ي م ا ن ك ม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 นั่นคือบรรดาองค์การขอรองโดยที่เราจะอ่านองค์การเหล่านั้นแก่เจ้าด้วยความจริงแล้วร้อนนั้นไม่ทรงประสงค์การอาธรรมใดๆแก่ประชาชนาทาั้งหลาย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 ضربت عليهم مزدلة أينما ت ُ ق ف و ا إلا بحبر من الله إلا بحبر من الله وحبر من الناس وذاقوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يهرون بآيات الله.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 และความผัดสมก็จะถูกกระหน่ำลงบนพวกเขานั่นก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธบรรดาโอการของอลัลลอฮและการฆ่าบรรดานบีโดยปราศจากความเป็นธรรมนั่นก็เนื่องมาจากที่พวกเขาดื้อดึงและเคยทำการละเมิด พวกเขาหาใช่เหมือนกันไหมจากบรรดาชาวพมธ์นั้นก็มีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เที่ยงธรรซึ่งพวกเขา อ่านบรรณาโอการขอรอนในยามข่้มคือและพร้อมกันนั้นพวกเขาก็สุยข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 พวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธในความดีนั้นเป็นอันขัดและร้วนนั้นทรงทราบบรรดาผู้ดียังเปนดีอินนั้ลทีนักทรูแลทุ่มเงินของพวกเขาและลงพาจากอัลลอฮดาลพกันนผู้ที่ปฏิเสธสนนรนนั้น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 لا تستخدوا ب ط ا ن ة من دونكم لا يألونكم خبلا ا و د و ا ما عنتم قد بدتم بغضاء من أقوائهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أبو سهان الله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 แน่นอนเราได้แจกแจงบระดาโครการไว้ให้แก่พวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าใช้ปัญญา أنتم وتؤمنون <ص في ق>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 มื่มาจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงตายอันนื่งด้วยความเียดแค้นของพวกเจ้าเถิแท้จริงอเร า, าเป็นผู้ทรงรับรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกทั้งหลาย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 แต่รนั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรูอ้อิดฮัมมั ต, ตไควตานีมินกคุมอัลทักชาลาวะลลาฮฺวะลิยูมาะวะลาลลาฮฺฟันยัตว์ค์ลิลมุฮัมมินจงรำลึกขณะที่สองกลุ่มในหมู่มมพวกเจ้ารู้สึกอ่อนแอและขาดแต่เราเป็นผู้ทรงคุ้มครองทั้งสองกลุ่มนี้ไว้แล้วรนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายถึง ลและความจริงอัลโลอฮ์ได้ส่งช่วยเหลือพวกเจ้าที่สมรภูมิบาดัดมาแล้วทั้งที่พวกเจ้ามีกำลังร้อยกว่าแต่นั้นพวกเจ้าคงยงเกรงอัลลอฮ์เถิดหวังว่าพวกเจ้า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 หรือไม่พ็อโพรงจะทรงอภัยโทษแก่พวกเขาหรือลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขานั้นคือผู้อาัรร์อัลลอฮระราสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน น, ดดนั้นเป็นสิทธิของอัลลอเท่านั้น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 จงอยากกินดอกเบีย้ยหลายเท่าวัเทวีคูณและพวกเจ้าพึงยังเกลงอลัลลอฮ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จและพวกเจ้าจงเกรงกลัวไฟนรก ที่ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเถิดและพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และปรอชูนของพระองค์ถเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา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 บรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในยางสุขสบายและในย่างเือดร้อนและบรรดาผู้ที่ระลับโภสก์และบรรดาผู้ที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์ و َ ا ل و َّ ذ ي ن َ إ ذ َ ا ف ع ل و ا ف ا ح ش َ ة أ َ و ظَلْمٌ أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م ذ ك َ ر و ا ا ل ل ه ذ ك َ ر و ا ا ل ل ه ف َ ا س ت َ غ ف ر و ا ل ذ ُ ن و ب ِ ه ِ م وَمَن ي غ ف ِ ر ا ل ذ ّ ن و ب َ إ ِ ل ا ا ل ل ه وَلَم ي ص ِ ر ّ و ا ع َ ل ى مَا ف َ ع ل و ا و َ ه ُ م ي ع ل م ُ و ن บรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขากระทำความชั่วใดๆ ห, หรืออาญาธรรมแก่ตนเองแล้วพวกเขาก็รำลึกอภลล์และขออภัยต่อความผิดของพวกเขาและใครเล่าที่จะยอมอภัยอย่าโทษความผิดทั้งหลายให้ได้นอกจากอภลล์และพวกเขามิได้ลืมรั้นปฏิบัติในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติมาโดยที่พวกเขาก็รู้กันอยู่โอูแล้ ชนเหล่านี้แหละการตอบแทนแก่พวกเขาคือการอพยโทษจากพระผู้บากของพวกเขาและบรรดาสวนสวรรค์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 ซึ่งแนวทางต่างๆดดังนั้นพวกเจ้าจึงท่องไปในคันดินแล้วจงดูว่าบรรปลายของผู้ปฏิเสธธรรนเป็นอย่างไรนี่คือข้อที่แจกชัดแจงสำหรับมันและเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นคำตัดเตือน ัั บ, บผู้ยงกงกทหล وا وأ م م และพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้และจงอย่าเสียใจและพวกเจ้านั้นคือผู้สูงส่งยิ่งหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา ي ي หากประสบกก่พวกเจ้าซึ่งบาดแผลหนึ่งบาดแผลใดแน่นอนก็ย่อมประสบกก่พวกนั้นซึ่งบาดแผลเยี่ยงเดียวกัน และบรรดาวันเหล่านั้นเราได้มันหมุนเวียนไประหว่างนุษเพื่อเท่าเราจะสงสารและบรรดาผู้ที่ศรัทธาและเพื่อเอาบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงคารามจากพวกเจ้าและอลัลลอฮ์นั้นไม่ทรงรักผู้อาธรรมทั้งหลายกันนลรา เพื่อที่อลัลลอฮ์จะทรงขัดเกล่าวบรรดาผู้ที่สัตย์หมายบริสุทธิ์และทรงขจัดบรรดาผู้ปฏิเสธสัตย์หมายให้หมดไปหรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ทั้งๆ ท, ที่อลัลลอฮ์ยังไม่ทรงทราบบรรดาผู้ที่ต่อสู้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 وما محمد إلا رسول قد خ ل ت من ق ب ل ه ا ل رسل فإنما تأو قتله ق ل ب ت م على أعقابكم ومن يقلب على عقبه ي ف ل ن ي ض ر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد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 และจะต้อิตายว่ามันเป็นลิมิตที่จะตตายแอ่จากใ้่ดยอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้น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 ف م ะว้านู لما อ صابهم ฝีสดีลิ الله ว ما บ่าคือวามสตการว ALLAHU YUHIBWU s a b i r i e และมีนล้วีจีมากม้อยแล้วที่กลุ่มชนอันมากมายได้ต่อสู้ร่วมกับเขาและพวกเขาหาได้ทอแท้ไหมเจอสิ่งที่ได้ประสบแก่พวกเขาในหนทางภาพอละและพวกเขาหาได้อ่อนกําลังลง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 ซึ่งผลตอบแทนแห่งโลกนี้และผลตอบแทนที่ดีแห่งปรโลกและโลนั้นทรงรักผู้ที่กระทำความดีทัง้งหลาย وا, وا, كم, كم, โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย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 และโรนควงเป็นผู้ดีเยี่ยมในบรรดาผู้ที่เหลือทั้งหลายเราจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสภาเหล่านั้นเนื่องจากพวกเขาให้มีพาขีแกวะ ซึ่งสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ส่งประทานหลักฐานใดๆมายืนยันในสิ่งนั้นและที่อยู่ของพวกเขาคือขุมนรกซึ่งที่อยู่ของบรรดาผูททา้ที่อาธรรมนั้นช่างเลวร้ายจริงๆ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرَكُم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم ص ر ف ُ م عنهم ليأتليكم ولقد عفا عنكم.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 إ ذ تصعدون ولا تلون على أحده والرسول يدعوكم فيه أخراكم والرسول يدعوكم ف ي أ أخراكم ف َ ع ت ا ب ك م غم بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما ف َ ل ت م ولا ما أصابكم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 เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ไม่เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าพลากัปและไม่เสียใจต่อสิ่งที่ประสบแก่เจ้าแต่เรานั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากราะทำทุมมอันเสล็จเลยุมมีบาดิลร่มิอเมนตนนูอาสัยยัลชาอัตตมมิคุม رطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن ا ل ج ا ه ل ي ة ن يقولون هل لنا من الأمر منه شيء قل إن الأمر كله لله يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر ش ي ء ا ما قتلناهنا قل لو قتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى م ض ا ج ع ه م وليبتلي الله ما في صدوركم و ل ي م ح ص م ا في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. และพรองก็ทรงประทานความตลอดภัยแก่พวกเจ้าหลังจากความโศกเศร้านั้นคือมีการนีบหลับครอบคลุมกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าได้กลุ่มนั้นตัวของพวกเขาเองทำให้พวกเขากระวนกระวายใจพวกเขากล่าวหาอวโลโดยปรัศจากความเป็นจริงอย่างพวกยาฮิยาหพวกเขากล่าวว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิของเราบ้างไหม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 إ ن َ ا ل ّ ذ ي ن َ ت َ و َ ل ّ و ا م ِ ن ك ُ م ْ ي َ و م َ ا ل ت َ ق َ ا ل ج َ م ع ا إ ِ ن م َ ا س ْ ت َ ز َ ل ه ُ م ُ ا ل ش َّ ي ط ا ن ُ إ ِ ن ّ م َ ا َ س ْ ت َ ز ل ه ُ م ُ ا ل ش َّ ي ط ا ن ب ب َ ع ْ ض مَا كَسَبُوا و َ ل َ ق َ د ع َ ف َ ا ل ل ه ُ ع َ ن ْ ه ُ م إ ِ ن ا ل ل َّ ه غَفُورٌ ح َ ل ي م ٌ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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضردو في الأرض أو كانوا غزلا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم.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 เพื่อว่าลอจะทรงให้เรื่องนั้นเป็นความโศกเศร้าในหัวใจของพวกเขาและแลอตนั้นจะทรงให้เป็นและให้ตายและแลอตเป็นผู้ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำและแม้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 فبما َ رحمة ٍََْ من َِ الله لنت لهم ولو َ كنت َ فضًا غليظ َ القلب َ لا فض َ من ِ حولك َ ف َ ا ع ف ُ عنهم ُ واستغسل لهم ُ وشاوذهم َُِ في الأمر فإذا عزمت ََ فتوكل ََ على َ الله إن الله يحب المتوكلين. نعم. <تصفيق>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 แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่มอบหมายทั้งหลายหากว่าอัลลอฮ์ทรงเชื่อเหลือพวกเจ้าก็ไม่มีผู้ใดชนะพวกเจ้าได้ และพระองค์ทรงทอดทิ้งพวกเจ้าผู้ใดเล่าช่วย เ, เหลือพวกเจ้าได้หลังจากพระองค์และต่อรนั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายถึงวนเถิด และไม่ประกฏแกน่นาบีคนใดที่จะยักยอกและผู้ใดยักยอกแล้วเขาก็จะนำสิ่งที่เขายักยอกนั้นมาในวันเกียรติและแต่ละคนจะรับการตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่เขาได้แสวงหาไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมเลยอาฟามิสตะฟะริดวานัลละฮิ์คมันบาะบิซขัตินมินัลละฮิวะมาวะฮุดะห์นัม ผู้ที่ปฏิบัติตามความยินยอมของอัลลอ์นั้นจะเหมือนกับผู้ที่ได้นำความคี้โกรธจากอัลลอ์กลับไปกระนั้นด้อและที่อยู่ของเขานั้นก็คือนรกซึ่งเป็นที่กลับอเลรา الله, ลล้ายพูกเขาเหล่านั้นมีหลายระดับชั้น นาท <ITA> ีอัลลอฮและร้อนนั้นเป็นผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเข้ากระทำ。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 และเมื่อมีอันตรายหนึ่งประสบกับพวกเจ้าทั้งๆที่พวกเจ้าได้ให้ประสบแก่พวกเขามาแล้วทุงสองเท่าแห่งอันตรายนั้นพวกเจ้าก็ยังกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากไหนกระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดมันมาจากตัวของพวกเจ้าเอง ถ้าจริงอัลล่ะส่งเดชาลุฟาพม่แล้วทุกสิวามาอาศาบคุมยาวมันตกลจมหาริบิธนิลลาหิวัลย่าลมัลม ؤ มินีนและสิ่งที่ประสบแก่พวกเจ้าในวันที่สนกลุ่มเผชิญกันนั้นก็โดยที่อนุมัติของอัลล่ะและเพื่อพระโรงจะได้ทรงทราบดีถึงผู้สถาทั้งหลายนั้นวัลย่าลมัลลดีนลาู وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أودفعوا قالوا لو نعلم إيتانا لاتسبعناكم هم الكفر يومئذ أقرض منهم للإيمان يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما ي ك ت ُ و ن และเมื่อพระองค์จะได้ทรงทราบดีถึงบรรดาผู้ที่กลับกลอดและได้ถูกกล่าวกับพวกเขาว่าจงมากันเถิดจงต่อสู้แนวทางของรบหรือไม่ก็จงปกป้องพวกเขากล่าวว่าถ้าพวกเรารู้ว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นแน่นอนเราก็จะต้องตามพวกเจ้าไปในวันนั้นพวกเขาใกล้แก่การปฏิเสธศรัทธายิ่งกว่าพวกเขามีศรัทธาสิ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 โดยที่พวกเขานั่งดูเฉยวัฒหาพวกเขาเชื่อฟังเราวพวกเขาก็คงไม่ถูกข้าจงกล่าเมวเถิดมูฮัมมัดพวกเจ้าจงป้องกันความตายให้พ้นจากตัวของพวกเจ้าเถอหากพวกเจ้าพูดจริง ออดบมูและเจ้าทุงยาได้คิดเป็นอันถาดว่าบรรดาผู้ที่ถูกฆ่านั้นทางของลอ น, น, นตายไม่ได้พวกเขายังมีชีวิตกันอยู่ณนะพระผู้บานของพวกเขาในสภาพที่ได้รับปัจจัยอย่างชีตต่ริหินริมาท่าห์มุลลาหมินล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 แล่าพวกเขาจะไม่เสียใจยึดถืราไมดียจะเขาพูดถึงนดีต่อสิ่งอำนนวยความสุขจากอัลลอฮ์และความปรุณาถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงทำให้รางวัลของผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นสูญหาย คือบรรดาผู้ที่ตอบรับอัลลอฮ์และรอซูลหลังจากที่บาดแผลได้ประสบแก่พวกเขาสำหรับบรรดาผู้กระทำดีในหมู่พวกเขาและมีความยังเกรงนั้น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 ชตอนนั้นเพียงขู่ได้เฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามันเท่านั้นแต่นั้นพวกเจ้าจงอยา ก, กลัวพวกมันและจงกลัวอัลลอฮเถอะหากพวกเจ้าเป็นผู้สันึา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 แต่อย่างใดเลยอัลลอ์นั้นทรงต้องการที่จะไม่มีส่วนได้ใดในในใๆแก่พวกเขาในก่นโลกและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอย่างจริงจังอินั้ลลี่นตาวุลุรบิลอมานยยับบุลลฮชัยอลเยยดับุลลอฮชัยอวะล่ะมะดาบอาี บรรดาผู้ที่ซื้อการปฏิเสธด้วยการสักธานั้นพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่อัลลาะได้แต่อย่างไดเลยและสําหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบวะลายะฮ์ซะบะนนะลลาดีนกะฟะรูอันมานุมลีละฮุมค็อยรุนลิอันฟุซิฮิม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 เท่านั้นและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยศยมีาีะราทราิีระองค์ทรงทำจนกระทั่งพระองค์ทรงแยกสิ่ี่ดีออกจี่เวะม่เคยมีพระเจี่จะให้พกลบ ใช่ว่าเราจะส่งทิ้งบรรดาผู้ที่ศรัทธาไว้ในสภาพที่พวกเจ้ากำลังเป็นอยู่ก็หาใหม่จนกว่าพระองค์จะส่งจำแนกอยู่ที่เลวออกจากผู้ที่ดีเท่านั้น และใช่ว่าอาลัลลอฮ์จะทรงให้พวกเจ้ามองเห็นสิ่งที่เร้นลับ ก, ก็หาักไม่แต่เพราะว่าอาลัลลอฮ์นั้นจะทรงคัดเลือกผู้ที่พปรง่งทรงประสุท์จากบรรดารอซูลของโกรงดังนั้นพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออลัลลอฮ์และบรรดารอซูลของโกรงเถิดและหากพวกเจ้าสภาและยังเกรงแล้วสำหรับพวกเจ้าคือรางวัล ولا يحسبن الذين يدخلون بما آ ت ا ه م الله من َ ض ي ه هو خير لهم بل هو شر لهم سيطرقون ما دخلوا ب ي ه يوم القيامة و ل ل ّ ه ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير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 และอัล์นั้นทรงเป็นผู้รอบรู้อย่างดีต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำแล้วเรได้ยินอัลลอฮ์กล่าวว่าผู้ที่กล่าวว่าอินนัลลอฮฟฮรและนอาจะนกบกล่าวและยหิและานูอบาะีก อลัลลอฮ์ทรงได้ยินคำพูดของบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ยากจนและพวกเขานั้นเป็นผู้มั่งมีเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไว้และการที่พวกเขาฆ่าบรรดานับดีด้วยปราศจากความเป็นธรรมเราจะกล่าวว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษแห่งเปลวเถื่อน นั่นก um ah e ็เพราะสิ่งที่มือของพวกเจ้าได้ประกอบไว้ก่อนและแท้จริงอัลลอ์นั้นไม่ใช่เป็นผู้อารรมแก่กลุ่มบางทั้งหลาย الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم ر س ُ ل من قضي بالبينات وبالذي قلتم ف ل م َ قتلتمهم و إنكم ن ت صادقين บรรดาผู้ที่กล่าวว่าแพทย์จิงอลาลนั้นได้ทรงสั่งเสียแก่พวกเราว่าเราจะต้องไม่ศรัทธาต่อระซูลท่านใดจนกว่าเขาจะนำมาแก่เราซึ่งสิ่งพรีดแดกอโลย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะมีไฟจริงมันจงกล่าวเถิดอูฮัมมัดแพท้์จิงได้มีบรรดาระซุนก่อนจากฉันได้นำบรรดาหลักฐานอันชัดเจนมาอย่างพวกเจ้าแล้วแล้วก็ได้นำสิ่งที่พวกเจ้าได้กล่าวไว้ด้วย แล้วเพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงได้ฆ่าพวกเขาหากพวกเจ้าพูดจริงและอินกบท้งบรุุมกอาาถ้านีแลถ้าหากพวกเจ้าปฏิเสธถ้าจริงนั้นบรรดารอศูน์ก่อนหน้าเจ้าก็ได้ถูกปฏิเสธมาแล้ว ซึ่งเขาเหล่านั้นได้นำบรรดาหลักฐานนันชัดเจบนบรรดาคำพีซะ บ, บูนและคำพีที่ให้แสงสว่างมาด้วยดอ ا إ แต่และชีวิตนั้นจะได้ลิมรสแห่งความตายและถ้าจริงพวกเจ้าจะรับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วนนั่นก็คือในวันปรโลกและผู้ใดที่ถูกหากา่างไกลจากไฟนรกและถูกให้เข้าสวรรค์แล้วใส่แน่นอนเขาก็ชนะแล้วและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้น ل أي ش ي อกจากิ م ت ب و ه م ف ق لا ت ب ل و ن أموالكم وأفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أ ذ ى ك ث ي ر ا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. แน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะถูกทดสอบในทรัพสมบัติของพวกเจ้าและตัวของพวกเจ้าและแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะได้ยินบรรดาผู้ที่รับคำกีก่อนหน้าพวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ให้มีภาขี่ขึ้นแกะะ้อลซึ่งก่อความเดือดร้อนมากมายและหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงต่อรอแล้วแท้จริงนั่นคือส่วนหนึ่งจากกิจการที่เดือดเดื َإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ اللَّذِي لَأُوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيْنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَلَبَدُوْهُ بِهِ فَبِئْسَ และจงนับลึกถึงขาดที่ a ล ل a h ส่งเอาคำมั่นสัญญาจากบรรดาผู้ที่ได้รับคพิว่าแน่นอนยิ่ง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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أ ن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ب م ف ا ز ة من العذاب ولهم عذاب أليم. ت ا ج ن م يا كيت بين اكاب وا.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 และอำนาจแหางบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงเดชารุภัพเนืุอสิ่ง ในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและผันดินและการแตกตานของกลางวันและกลางคืนแน่นอนมีหลายสัญญาณสำหรับผู้ที่มีปัญญาทั้งหลาย。ิ คือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอ์ทั้งในสภาพยืนและนั่งและในสภาพที่นอนกระแทนโดยที่พวกเขาพินิดพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและทนิโดยกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรา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 ผู้ใดที่พระองค์ท่านทรงให้เขา้าไฟนรกแน่นอนพระองค์ก็ยังความอภยดแก่เขาแล้วและสาหรับบรรดาผูอ้อาธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นรบบนาอินนาสญนามนาดียาดีสำญนามนาดียิยูนาดีาาดยายาดลิลิมานอันอามิา น, นุบิรับบคุมฟาอามันนา ف ف โอพระผู้บัญของเราแท้จริงพวกเราได้ยินผู้ประกาศเชิญชวนคู่หนึ่งกําลังประกาศเชิญชวนให้มีการสรัทาว่าท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่อพระ่วยบาญของพวกเจ้าเถิและพวกเราก็ศรัทธากัน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 فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل ع ا م ل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ذ ي ئ ه م وأدوا في سبيلي. وأذو في سبيلي وقاتلو ا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ل َ أكفر عنهم سيئاتهم و ل َ أدخلنهم جنات و ل َ أدخلنهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ت َ و ا د من عند الله ลลสสแล้วพระ์พยบาลของพวกเขาก็ตอบรรบพวกเขาว่าแท้จริงข้าจะไม่สูญเสียซึ่งผลงานของผู้ที่ทำงานคนหนึ่งคนใดในห่พวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามโดยที่บางส่วนของพวกเจ้านั้นมาจากอีกบางส่วนบรรดาผู้ที่อพยพ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 แล้วที่อยู่ของพวกเขานั้นคือนรกยามหนึ่มันช่างเป็นที่พักผ่อนอันเลวร้าจริงๆแล้วที่นีที่อัตครบบองนมีสวรรค์ที่อยู่ใต้แม่นแม่นที่น้ำที่อยู่ใต้แม่น้ำที่อแ่ต่จตนทต้แมีอยนูแตแ่นนทอน้นีนนที่มน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 قُّثلَ وَإِنَّمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنِ ا ُ ؤ ْ م ِ ن ُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خ َ ا ش ِ ع ِ ي ن َ خ َ ا ي ن َ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَ الْقَلِيلَ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ ل َ ه ُ م ْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ และแท้จริงในหมู่ชาวคำพีนั้นผู้มีสภาพต่อระและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขาในฐานะผู้นอบน้องต่อระโดยที่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนองการขอระองกับราคาเพียงเล็กน้อยชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับผลตอบแทนของพวกเขาณนะ ข้าผู้อวยบาลของพวกเขาถ้าสิงอันนั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชนะ ก, การสอบสน وا, วนโอบัตดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอดทนและจงอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจรงประจำอยู่ชายแดนและพึงยำเกรงอลัลลอเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ